ปีติปสัสสติสุสมาธิตัญญาไกลไหมกว่าจะได้ประธรรมโดยนั้นไกลไหมไกลไม่ไกลนี่ก็มาดูว่าแล้วในชีวิตจริงน่ะราคุโสรศีน่ะที่ว่าการกายกรรมวจีกรรมอาชีพของเราเนี่ยบริสุทธิ์ถึงขนาดน้อมเข้าดูกุโสรศรีลและวัดต่างๆของเราเนี่ยเดือดร้อนใจไหมเกิดประมาทบ้างไหมเกิดไม่เกิดอ้าคิดถึงกุโสรศรีที่รักษาตั้งแต่เช้าจนถึ ง, งเนี่ย ใกลจะเย็นแล้วเนี่ยเกิดปีติบ้างไหมหรือมันมองตัวไหนมันก็ไม่ชุกใหญ่เลยเอาคิดถึงทานนะแต่เนี้ยน้อมเอาตัทุกเอาตั้งแต่เกิดที่จําความได้จนถึงวันเนี้เคยคิดถึงทานนะโศลอะไรรู้สึกปีติมัน ส, สู้สู้ตลอดในนี้บ้างไหมแบบประเภทที่มันสุขใจสุด ข, ขีดแล้วเพราะโพทธศสัตว์นี่นะท่านก็ให้สระหมดเลยเนะยมีอะไรท่านกาสละสละท่านบอกว่าไม่สดชื่นเลยเยอะเลยไหม ไม่อินมใจเลยท่านก็นั่งคิดเลยแต่เนี่ยโอ้ยให้หมดแล้วเนี่ยเปิดเรือนคังมาแจกทานก็ทำแล้วให้ช้างก็ทําแล้วทําอะไรก็ให้หมดแล้วก็นั่งพิจารณาหรืออะไรแต่เนี่ยหัวใจท่านตั้งบาริธาร์เถ้าใครมาขอหัวใจข้าพเจ้าจะผ่าอกแล้วยื่นหัวใจให้หรือขอตาจะควักดวงตาให้ขอเนื้อจะตัดเนื้อให้ขอแขนขาจะตัดแขนขาให้ ขอเลือดขออะไรต่างๆก็จะให้ทั้งหมดเลยขอชีวิตจะให้ชีวิตเลยเพอาะท่านน้อมน้อมนอมน้อ ม, อมปิติท่านเกิดแล้วโอ้โหไม่เอยเกิดนี่ยขอให้ได้ทําทานแบบนี้เธอขอให้ได้ทําทานอย่างนี้เธอจนใคร่ควรเป็นกระแสจิตอย่างรุนแรงเลยอย่างนี้นะพันดินหนาสองหมื่นสี่พันโยกสะเทือนเลยน้อมแบบภูเขาสิเนลุดินน้อมคำนับเลยอ่ะลองคิดให้ให้ฟ้าสะเทือนงั้นมองนี้นี่พระโพธิสัตว์คิดขนาดนั้น ยังเราคิดยังไม่กล้าคิดเลยนะ ไ, ไหมกล้าไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้เราจะได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าขนาดนั้นเนะ่ยกว่าที่เราจะได้มาเรียนว่าน์ธรรมสติปัฏฐานเนี่ยกว่าที่พระองค์จะตัดสติปัฏฐานได้เนี่ยพระองค์ต้องแลกมาด้วยอย่างเนี้ยเห็นคุณไหมถ้าเห็นคุณเราถึงจะเกิดความทราบซึ่งในวระธรรมของพระพุทธีจ้าเนานะถ้าเราไม่เห็นคุณเนี่ยเราก็เรียนเนาะไม่มีอะไรแล้วเรียนทําไมจั่มั้งเรื่องกรรมมาคุณมีความสุขกว่เยอะเลยอนะไรเงี้ยแต่พระเจ้ามีอยู่ มีอยู่สูตรนะนางสนมเนี่ยสี่หมื่นนางนะสี่หมื่นนาง8ปดหมื่นสี่พันนางเยอะแยะไปหมดเฉพาะนางนางสนมที่ไม่เตี้ยไม่อ้วนไม่ผอมไม่สูงเนื้อสี่หมื่นจะกแปดหมื่นสี่พนท่านางคัดคัดคัออกไปตอนเลี้ยงอ่ะเลี้ยงเลี้ยงพระองค์เลยนะต้องเอาคนไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่สูงเกินไปไม่อ้วนเกินไปเนี่ยนะเอาสิ่งที่ไม่พอดีอะเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาก็มาคันทยะพราองค์ก็ไปหาพระพุทธเจ้า เพราะว่ามาคันธิญาณนี่ยเสอนเรื่องการเจริญเนะอะถ้าหากรูปารมณ์ใดที่เขาไม่เคยได้สวยไม่เคยได้ดูเขาจะต้องดูเมื่อดูแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็แสวงหารูปที่ไม่เคยดูยิ่งๆิ่งขนไปก็ถือการเจริญทำประพฤติยถาธรรมเขาแบบนี้ในะละทีเนี่ยเสียงอะไรที่เขายังไม่เคยได้ยินเขาจะแสวงหาเสียงที่ประหนี่ขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อได้ฟังแล้วก็ปล่อยทิ้งไปปล่อยทิ้งไปเขาใจไม่ยอะหน่อยกลิ่นอะไรที่เขาไม่เคยดมเขาก็จะพยายามสแสวงหาที่จะดมดมดมด ม, ดมไปเรื่อยๆนี่นะนะเขาที่ได้ดมแล้วก็ให้ผ่านไปอาหารรสเลิอดไหนที่ไม่เคยได้กินก็<ข>จะชิมไปเมื่อชิมแล้วก็ปล่อยผ่านเลยไปสัมผัสอะไรที่ยังเขาไม่เคยได้สัมผัสก็พยายามจะสัมผัสให้ได้เมื่อสัมผัสแล้วก็จะปล่อยเลยไปธรรมารมเรื่องอะไรที่ยังไม่เคยคิดก็จะ ค, คิดมาคิดเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้ปล่อยเลยไปเขาถือการทางทาง เพุทธทานเราพุทธปฏิบาาัติตามการเจริญต่างๆวิมออุติงไงจ้ะรัตถิเขาจึงเป็นถือว่ารัตถิของเขานั้นเป็นรัตถิเข้าถึงความเจริญเข้าถึงความสุขเป็นนิพพานในปัจจุบันนี่สุดยอดไหยธรรมสอนในประเทศไทยตอนนี้เฟื่องฟูไหมเฟื่องฟูเลยใช่ไหมใครจะเป็นเจ้ารัตถิตันี้ต้องไปเรียนนี่ที่รัตถินี่นสอนนี่จะเฟื่องฟูเลยเปิดนี่ต้องเปิดคอร์สอบรมนี่โอ้โหเต็มโรงแรมเลยนะทยํายังไงก็รวยได้แบบเนี้นะเพราะเป็นลัตถิที่ ไม่จํากัดความเจริญต่างๆหูจมูกลิ้ในใจใจแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ตัดถึงนไหมบอกว่าอินเะดียสังวรเนี่ยตาเห็นลูกใจไม่เป็นบาปตัดปุบปุบปุบหูได้ยินเสียงจะต้องสามารถมีสติมากํากับไม่ให้บาปเกิดไม่ให้บาปเกิดเขาก็ตําหนิว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สอนจํากัดความเจริญทางๆหูจมูกลิ้ในา ใ, ใจเขาเป็นลัทธิที่ใช้ไม่ได้ว่าว่าพระพเจ้างั้นน่ะ เวลาไปตำหนิพระเจ้าพระเจ้ายอมรับไหมพระเจ้ายอมรับนหะมว่าคําสอนของตถาคตนะจํากัดความเจริญจํากัดความเจริญของตัณหาใช่ไหมเพราะตัณหาเป็นปัจัยเกิดอุปาทานใช่ไหมอุปาทานเป็นปัจัยเกิดเพราะเป็นปัจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจัยเกิดชลาวรารนาโสกการิเทวะทุกขโทนะสัอุปาญาฉะนั้นตถาคตสอนจํากัดความเจริญตรงนี้ที่เธอพูดเนะีถูกแต่เธอเข้าใจผิด จะมาโดยพยาญยชนะเน่ยใช่แต่โดยอัฐะเธอพูดผิดเธอผิดแล้วใช่ไหมต ถ, ถาคตจํากัดความเจริญของตันหาจํากัดความเจริญของราคะจํากัดจํากัดความเจริญของปฏิสนธิจํากัดความเจริญของกระแสขันเพราะขันถ้าเป็นไปในในใ น, ในวัตฏะเนี่ยมันจะมันจะเป็นไปด้วยความด้วยชาติทุกชาติทุกเป็นต้นแต่เธอสอนความเจริญมันโถงโดยใช่ไหมนั่นแหะวัตฏะเธอจเจริญ นื้อทกเจริญเนี่ยก็ในส่วนจริงก็มานับถือผู้เจ้าผู้เจ้าหรืออุบมาอุบมาอะไรนี่นะสมัยก่อนตถาคตเป็นเจ้าชายสิทธัตถานี่เป็นพระพธิสัตว์อยู่เนี่ยตถาคตมีเตาไฟอยู่สี่หมืนเตาเนี่ยลอกข้ามมีเตาไฟอยู่สี่หมืนเตาแต่ตอนนั้นน่ะแตถาเอ้ยเพราะท่าน อ, อุบมาตัวท่านเองนะ่ะเป็นโรคเรื้อนนะ่ะเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนเอง เวลาคนเป็นโลคเรือนเนี่ยต้องไปย่างเตาไหมต้องไปย่างไฟใช่ไหมเพราะมันคันเนี่ยโรคเรือนเนี่ยจะต้องไปย่างย่างนะย่างให้มันแห้งั้าน้ําเหลืองมันไหลออกมาเนี่ยไอ้น้ําเหลืองก็ไหลพรเว้อออกมาใช่ไหมก็ไปย่างพอไปย่างไปเสร็จมันขึ้นสะเก็ดไหมโย่ที่มันแห้งอ่ะแผลมันแห้งมันก็ขึ้นสะเก็ดพอสะเก็ดมันออกต้องเกาสะเก็ดไหมมันคันไหมคันก็ต้องเกาเกาต้องไม่ให้ถูกแผลนะเกาต้องขอบ เกาในขณะที่เกาเบียเศตไอ้หนอนมันอยู่ข้างในยังไง ม, มันร้อนไฟเนะาะก็ย่างเตาย่างเตาตั้งสี่หมื่นเตาอ่ะก็มีกาวมะคุณสเสวยย่ยางย่างเกาไอ้ตัวหนอนอยู่ข้างในมันก็ะชัยก็ไปอีกช้อนชัยก็ไปอีกพรอมหนอนช้อนชัยก็มามันก็ไปทําให้น้ําเหลืองอยู่ข้างในหไหลออกมาอีกนั่นแหละบริโภคกามก็เป็นอย่างนั้นเอาที่บริโภคไปกาวมะคุณมีความสุขไหมตอนเกามี ตื่นขึ้นมาอลอดภัแล้วใช่ไหมไอ้เกาแผลจนะมีความสุขใช่ไหมไม่มีแล้วเอาแล้วใช่ไหมเอาเวลาหิวก็้าไปไปเกาหน่อยเนาะเกาไหมไปกินอาหารนะ่ะเกาเนาะเอาเวลาเวลาร้อ น, อ น, น, อ น, อนะนรนนอนอลล้อนหน่อยเปิดแอร์หน่อยเกาแผลนาะเกาคนเป็นโรคเลื้อนเปอย่างนี้แหละเอาเวลาร้อนหน่อยเปิดแอร์เปิดแอร์ไม่ไหวแล้ววันเกาแผลเนาะมันก็ใช้ไปเรื่อยเนี่ยไอ้ตัวนั้นไอ้นี่ไอ้น่องหนองก็หกไหลก็เรื่อยย่าง อันนี้ก็ย่างเตาไฟหน่อยย่างไม่ ห, หนองมันให้หนอ ง, ม, นนองมันแห้งพอแห้งมาเริ่มีมมปฏิกิริยาเนี่ยแต่นี้พระพุทธเจ้าก็บอกต่อมาเรามียาดีเจอหมอดีผ่าตัดรักษาโรคหายแล้วแต่ถ า, า, า ก, ก็หายจากโกรคนั้นแล้วว่างั้นนะหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคแบบนั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็พวกไอ้หนอนที่มันชอนใช้ข้างในแ่ะโดนกระจับจหมดแล้วตอนเนี้ร่างกายสะอาดเป่งตังแล้ถามปาปราศจานาจะกลับไปเป็นเป็นโรคเรื้อนอย่างเก่าไหม ถามบมกว่าถามมาคันณียาถามมาคณียาเปล่าไม่เอาแล้วบอกไม่ไหวแล้วอที่สอนมาเสียหายหมดเลยก็กที่สอนมาเสียหายหมดเลยอทุกวันนี้พวกเราเป็นไหมเป็นโรคแบบนี้ไหมเนี่ยผู้เจ้าอุปมาเนะี่ยหนักไหมขนาดอุปมาหนักขนาดนี้เราฟังยังเฉยเฉยเลยใช่ไหมผมก็พร้อมบอกไม่เป็นแล้วกลับไป ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะกินอาหารแต่ละครั้งเห็นรูปงามๆแต่ละครั้งเกิดตัณหาแต่ละครั้งเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินแต่ละครั้งในขณะนั้นที่เราได้รับความสุขก็แสดงว่าตอนนั้นเรากําลังเกาขอบแผลที่กําลังเป็นโลกเลือนก็สําคัญว่าตนเองเป็นโลกเลือนคิดอย่างนี้ตลอดเวลาคิดไหวไหมไหวไหม่ไหวถ้าไหวนั่นแหละอาชีนวะเริ่มเกิดชัดเราจะได้บ oh, อกโอ้โหกายนี้เป็นอย่างนี้พะริยเจ้าผู้มีตาดีทั้งหลายท่านเขาพากันละหมดแล้ว เขาว่าไงนะสูท <set> se <as> ั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถเขาว่าไงนะสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถนี่ชีพูดเองนะที่พวกคนเขาหมกอยู่ยังไม่ชีบอกงั้นนะแต่ผู้รู้หาข้องอยู่มากนะแสดงว่าคนที่หมกมุ่นอยู่คือคนโง่ใช่ไหมนี่ชีพูดใช่ไหมอ๋อพระพุทธเจ้าพูดเนี่พระพุทธเจ้าพูดใช่ไมไม่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม มีอยู่ครั้งหนึ่งนะสมเด็จพระอาจารย์โตใช่ไหมท่านพระเถระของประเทศไทยเราที่มรณะผ้าไปหลายร้อยปีเป็นร้อยปีหลายร้อยปีสมเด็จพระอาจารย์โตตอนนั้นก่อนรัชกาลที่สนะี่เนาะจะเป็นตอนนั้นจะเป็นราชกุ ม, มารหรือเป็นกษัตริย์ที่ยังไม่แน่ใจพาสนมใหม่มาคงจะหยอกกันเล่นนะนะมาถามขัวโตบอกว่าสนมของเราเป็นยังไง คือให้พระมองฟระก็บอกงามแต่งามเหมือนราชรดโอ้เรียบร้อยเลยถ้าเป็นคนธรรมดายังพูดคำนี้ไม่ได้ทีนี้รอสี่นีท่านบวชเรียนมาเยอะมากแค่นี้ท่านกับโอ้เงียบเลยงามเหมือนราชรดสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุบราชรดท่านไม่ต่อไงที่พวกคนเขาหมกอยู่หมกมุ่นอยู่นะ พวกคนเขาวพวกคนไม่รู้หมกมุ่นติดพันติดข้องอยู่เกี่ยวข้องอยู่แต่ผู้รู้หรือบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านไม่ติดข้องแล้วท่านประิญิพานหนีหมดแล้วแล้วก็ไปพิจารณาโู้พระพุทธเจ้าเนาะท่านตราสอะไรมองเห็นชัดไหมยมคุณยมสุภะนหงเห็นชัดไหมตอนนี้เราเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ไม่รู้ติดข้องไหมตอนตอนนี้ไม่ติดแล้วเนาะตอนนี้ไม่ติดแล้วนะ พิจารณาไม่ติดแล้วเนี่ยตรงนี้นี่แหละถ้าต้องบอกว่าอุบัติเหตุเนาะปัจจัยที่ทําให้เกิดสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็อทุกมสุขเวทนาเนาะทั้งศัตว์และสังขารล้วนเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาเหล่านี้หมดเลยทีนี้เรื่องเวทนาเกิดแล้วไม่ไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่จะตามมาคือตัณหาต่อมาก็อนุสัยอภรรยาที่เสียอนุสัยอนุสโยเนี่ยนะเป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังที่ยังละไม่ได้ คว่าอนุสยยนี่นะอนุเสติเนี่ยนะอนุสยยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิเลสที่มีกําลังเอาทําไมถึงเรียกว่ามีกําลังราคานุใสยนี่นอนละอยากเออละอยากโทสาอนุใสยแล้วก็อาวิชานุใสยที่จริงอนุสัยมีเจ็ดนะแต่ในที่นี้เอามาสามคนเนะเพราะให้ตามนอนอึงเนี้ยฉะนั้นบทว่าอนุสยโยความว่าเนบดาเวทนาทั้งสามเหล่านั้นเพราะสุขเวทนาราคาอนุใสยจึงนอนเนื่องอยู่ใช่ไหม พระทุกเวทนาปฏิคานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่พระอทุกขมสุขเวทนาอวิชานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่เห็นไหมยังอะไรตามอะไรเริ่มมองเห็นหน้าตาที่ยังขีดไว้ราคะนี่เขาแปลว่าความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจความติดข้องโทสะนี่คือความโกรธความไม่พอใจความพยาบาทความอาฆาตว่าไปนะอวิชานี่ความไม่รู้ความหลงความมืดบอด ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกไม่รู้ในความดับทุกไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกไม่รู้ในกระแสขันในอดีตเนาะไม่รู้ขันในยตนาธาตุในอดีตไม่รู้ขันในยตนาธาตุในอนาคตไม่รู้ในขันในยตนาธาตุทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสุบาทนี่อวิชชาเป็นอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็มันตามนอนอะไรไปสังเกตดูฉะนั้นเวลาใดสุขเวทนาเกิดขึ้นเวลานั้นอะไรจะตามนอนเนี่ย นอนเนื่องก็บอกราคาก็จะตามนอนเนื่องนะพอใจไหมถ้าเกิดสุขพอใจเนอะถ้ากลับไปที่บ้านสิ่งที่เราต้องการที่แรกก็คือสุขเวทนาเนอแต่ ห, หาใครอยากให้เขาพูดพูดเพเพ้ อ, พ อ, พอถ้าเขาพูดไม่เพ้อชอบฟังไหมเพราะอะไรทำให้เกิดทุกเวทนาใช่ไหมแสดงว่าระหว่างราคะกับโทสะเราชอบราคะมากกว่าโทสะใช่ไหมทาไมราคะราคะนี่เป็นกุศลไงถึงชอบจัง บอกมาทั้งหลายวันบอกราคามันไม่ดีอย่างนั้นอะไรต่างแต่ละบ้านเนี่ย น, นอนอยู่ตรงไหนจะได้ไปขุดดูเนี <c oughs> ่ศัพท์คำว่านอนนี่เป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังเพราะอัตวา ย, ยังละไม่ได้คําว่านอนเนี่ยคำคำว่านอนเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสที่ยังละไม่ได้ถามว่าถ้าถ้าถามในกรณีเนี่ยพอเราไปเจอสัพท์คำว่านอนเราคิกว่ามันเหมือนกับเรานอนหลับ มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคําว่านอนเนี่ยอัตกถาท่านบอกว่าเพราะอัตถว่ายังละไม่ได้คําว่านอนเนี่ยนะนอนเนื่องเนี่ยคําว่านอนในที่เนี้ยแต่ว่ายังละไหมถามว่างี้ในขณะที่กุศ ล, ลจิตเกิดตอนนั้นกิเลสเกิดไหมแต่ถ้าถามออกว่าแล้วกระแสขันนั้นที่เป็นกุศลนั้นละกิเลสได้หรือยัง นั่นแหละท่านเรียกว่านอนแล้วแค่นั้นแหละก็เรียกว่านอนเพราะยังลับไม่ได้นั่นแหละแค่นั้นแหละฉะนั้นในขณะที่ทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศ ล, ล, ล, ลเป็นไปอยู่ในขณะนั้นชื่อว่ากิเลสคืออนุสัยยังมีอยู่ถ้าถามยอมนกถามว่ายอมนกมีเงินไหมมีแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะก็มีแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่มันไปอยู่ที่บ้านที่ธนาคารก็ว่าไปสิ แต่มันไม่อยู่เขาใหญ่เนี่ยเขามันนอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่ายังละไม่ได้แปลว่าอัตถามันยังมีอยู่อ่ะเพราะอัฐายังมีอยู่อ่ะแล้วมันมีกําลังด้วยถ้าได้เหตุปัจจัยแล้วมันเกิดจจใช่ได้เหตุปัจจัยเขาจึงมีว่าอา ร, รมณ์นุสัยและสันตานอนุสัยจึงตามมาเช่นว่าอนุสัยบางอย่างอาศัยอารมณ์แล้วเกิดขึ้นมาได้เอาสิแต่อนุสัยบางอย่างนั้นถึงว่าไม่ต้องอาศัยมันไม่ได้อาศัยอารมณ์นะแต่ว่านี้กระแสขันยังมีไปอยู่มีโอกาสเกิดอ่ะ เอาสิใช่ไหมไม่ต้องมีอารมณ์หรอกแต่กระแสขันยังมีอยู่รู้เลยกระแสขันยังไม่บริสุทธิ์เพราะไม่ใช่กระแสขันของพระละหันนี่นั่นแหละนอนอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะอัตวัลละไม่ได้ก็คืออนุสัยที่ยังมีอยู่ในกระแสขันนั้นคําว่ากระแสขันนั้นก็แปลว่าหนึ่งกระแสขันนั้นไม่ใช่วิสุทธิขันน่ะขันที่ไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมยมสมัยเป็นขันที่ยังไม่เคยชําระกิเลสเลยไม่ได้เคยทําอริยมรรคเกิดขึ้นในกระแสขันนั้นเลยนั่นแหละ กระแสขันนั้นแหละเขาเรียกวิญญาณุใสอยู่ก็ใช่ก็ได้บางส่วนแต่ก็ยังยังไม่หมดไงแต่ว่าไอ้นี่ส่วนของทิฏฐานนุใสก็ดีก็ละได้วิจิกิฉาอนุใสก็ละได้แต่อนุสัยที่เหลืออีกห้าก็ยังละไม่ได้อารมณานุใสก็หมายถึงรูปอารมณ์สัตวอารมณ์ขันธารมและสอารมณ์เป็นต้นที่เป็นปัจจัยเกิดราคะโทสะโมหะเมื่อได้ปัจจัยเห่าคืออารมณ์นั้นก็ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้ถามว่าถ้ามันไม่มีอนุสัยอยู่แล้วโลกขึ้นมาได้ยังไง โลภขึ้นมาเมื่อรับอารมณ์นั้นโลภได้อย่างไงเข้าใจไหมถ้าอยู่ๆเนี่ยมีคนมาพอ่อโอ้ยอยอมยอมอายุเท่าไร แ, แล้วเนี่ยบอกโอ้อายุจะดเจ็ดสิบแล้วแม้ดูอย่างกัอายุสามสิบชื่นใจเลยยังครับพวออย่างเงี้ยนี่ e y, มันพอได้รับอารมณ์มันมาได้ไงเนี่ยเอนมาได้ไงใช่ไหมาราคาเมื่อไหร่เนมาได้ไงโอ้มันตามนอนมาจากสุขเวชนะแต่พ่อตรงเปนข้าวเนี e ่ยยอมอายุเท่าไร่แล้ว อ๋ออายุเจ็ดสิบนะแหมบางคนก็แค่หกสิบเขไปแล้วมียอมเกินไาไม่คดีเลยเพรงี้โอ้โหทุกเลยใช่ไหมแต่ที่พูดนี้อุปม า, มานะยอมนะอย่าไปหาพระบอกไปตายยุ่งเลยอยู่เพราะาพระนี่เขาห้ามชักชวนคนไปตายนะยอมนะเป็นอบัติปราชิดนะไม่ได้ถ้าลงไปภาณาคุณของความตายอยู่ใช่ไหยตายนี่ดีอย่างนั้นนะดีอย่างนี้แบบยอมไปทําตามเรียบร้อยเลยพราองนั้นคาจะพระไปเลยยุ่งนี่นี่พูดอุปม า, มานะ ใช่ไหมบางทีอะคำพูดบางทีซ้ําๆธรรมดานี่แหละเฉยเลยเป็นเอาวิชานาสัยีนอนเนี่ยเอาคนเราเนี่ยพูดกั็นยันชินเช่นใหม่ๆก็ทานข้าวที่คุณยังโอ้ยสุขเวทนาอยู่ด้วยกันใหม่ๆไอ้คําเดิมนั่นแหละทุกวันทานข้าวที่คุณทานข้าวที่คุณฟางสักห้าพันละแก่จนแล้วแก่มากแล้วคุณทานข้าวหรือยังเฉยๆเลยโมหาก็ตามนอนไอ้คําเดิมนั่นแหละ โมหาะไหมโมหาก็ตามเอาวิชาภาษาก็ตามนอนแต่อย่าพูดย่ำย่ำเดี๋ยวปฏิคาร่าษาเพราะอารมณ์แบบนี้ไม่จอาไปซ้ําไม่จอาไปพูดซ้าําทีนะ่คนเราแปดยินมทั้งแก่ ด, ด้วยนะอาจมาก็เนยกว่าเออคนนี้เขาอยู่ด้วยกันนานเนี่ยเขาจะพูดจากันเพระๆตเอินพ้าก็แอบได้ยินโอ้ไม่เพราะเลยบางคนเนี่ยเขาสามีภรรยาเนี่ยเขาเขาพูดเป็นกูมึงนะมี มียมคนหนึ่งมาอยู่กับธรรมาก็เยอะเอ่ยชื่อเยอแต่ไม่เป็นไรเรามาเล่าอย่างนี้จะไม่โกรธด้วยนะเพราะความจริงยังเป็นคนชอบความจริงแกก็มาเลี้ยนนะพี่ทำอะไรธรรมอาอธรรมาก็ถามมียมเนี่ยตอนอยู่กับยมผู้หญิงเนี่ยเป็นยอมเอ่ยอย่งอายุขนาดยมเนี่ยเขาไปอยู่กับธรรมามาประมาณตั้งสามสี่ปีไปอยู่เรียนก็ทำให้ภรรยาขายของเกบอกวไปอยู่กับอาจารย์ดีกว่ายาเรียนธรรมะเรียนทุกวนันบางทีก็รอหน้าห้องเลยนะ รอท่องหนังสือมาพอออกมาเพิ่งถามดีๆนะถามมาแล้วก็บอกว่าก็อยู่เรียนเรียนแบบเป็นตัวเป็นการสอนตัวว่าว่าทำวัดเกก็ทําวัดด้วยบ่ไปบินระบายแกก็ตามไปด้วยเนี่ยนะแล้วทําอยู่ศึกษาว่าทําอย่างเงี้ยอยู่ได้เรียนประมาณตั้งปีสองปีเนี่มาไปถามพียอมถามเนี่ยว่าเมื่ออยู่กับยอมผู้หญนะิงเน่ะคุยกันยังไงอ๋อผมคุยกันโก้มึงท่านก็คุยไงนะ อันแยอมผู้หญิงอะคุยกันยอมกูมึงแล้วมั้งทำไงอ่ะยกตัวอย่างทีะแม้วันนี้กูปวดหัวแล้วเกินมึงเป็นไงบ้างอะไรคุยอันนี้กองเออแปลกดีใช่ไหมเออแล้วมันให้สุขเวทนาดีไหมก็บอกก็ดีก็ตั้งตั้งแต่แรกเลยเพราะตั้งแต่แรกแรกเลยก็เอาเวลาไปคุยกันทีแรกอะอทําไงไปติดต่อไปเองก็ว่างั้นเข้าไปกับเพื่อนก็ไปไปอเนี่ยก็ยอมผู้หญิงแล้วก็ค้าขาย ก็ไปแอบมองก็คนโบลาณเนี่ยนะไปดมดมมองๆก็มองยอมผู้หญิงแล้วก็แปลกกันนะมาไม่เคยรู้นะว่าเขาไปติดต่อผู้หญิงที่จะแต่งงานก็ทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่รออีกพกาไปมาเก็ฟองแปลกิีก็ไปมองๆก็จะบอกเพื่อนอฮ้ขถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไงหน้าตาไอ้นี่เอเอเขาถ่าดีเหมือนกันกูดูดูแล้วมันก็เข้าตาเขาบอกไอ้ทํำไงวะไอ้จะดู มันนั่งไม่รู้ว่ามันเตี้ยหรือมันสูงก็งั้นย้ะทําไงเอามือรองทําทีไปซื้อของกันแล้วกันเนื้วก็ย้ะมองเราตายวะนี่จะฟ้องฝ่ายเพื่อนเกาไปซื้อของเอ้ก็เขาโบกขอใครเขาจะพูดหยาบๆเอ้อะหามันก็ไม่ยอมลบสักทีอ้หมอฟังว่าโอ้ใจสั่พ่อคุณลาบเลยแกพูดมิดข้าแกงจริงๆมันก็ไม่ยอมลบสักทีก็บอกเอ๊ะเม่ไรจะเจอก็บอกกลับไหมมันยังไม่ยอมลบกามึงไม่ควักตังค์ซื้อก็ ไอ้นั่นก็แหมต่ต้องปล่อยเพื่อนเสียตังค์ไปซื้อต้องควาตังค์ก็ไปซื้อเดีเขาก็ลุกไปจ่ายของลบดู ก, กลับมาทิ้งไงก็คาถ่าทีา่ดูมันจะเตี้ยไปนิดเดีวยวก็บ อ, องไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวให้เอาเท้าสูงๆไว้มันใส่อ้นรื่อมปองแล้วก็พ่าหลายองคนะ์นะนั่งปองก็ข่ำเลยนั่งเออแปลกเี๋ก็เล่าแกไปไปเรื่อยๆทีนี้ออาก็แต่งอยู่ด้วยกันก็จะคุยกันเนี่ยโกมือโกมือนี่กำมาเรียนมาทำใช่ไหม ไปถามเออยมเป็นจีนเนี่ยเขามีพิธีพอถึงช่วงเทศกาลกินเจอช่วงเทศกาลในีเนีละไหว้เจ้าไหว้เออไม่ไปล่ะโออาจารย์ผมเป็นเจ็กกระโบด <c oughs> จี้กระผลแปลว่าอะไรผมปฏิวัติใหม่ ห, มหม่อยเพอมาเรียนมนทาทำเลิกไหว้เจ้า <c oughs> เอาไปทำกันมา อ, อ้าวแล้วเขาทาตามหรืเอเปล่าทาดีเขาบอธิบายเหตุผลนี้เขาฟังเนาะเราฟั ง, เ ร, ฟ ง, เ, รฟงเราฟังไปเราถามแล้วก็พูดพระกับไปเขาบอก พอเรียนพระธมไปเมียก็ไปถามให้มึงไปอยู่กับอาจารย์เนี่ยส้าไปมึงไปอยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนอะไรมึงว่างมึงบอกกูมึงนะเวลากูจะตายไปกูจะได้มีพระธรรมเชื่อเออเดี๋ยวกูจะบอกให้ก็บอกครอบครัวนี้แปลกมากเดี๋ยวกูจะบอกให้แกบอกภรรยาแกอย่างนี้เวลาแกเล่าอะไรแกจะเล่าลักษณะนี้ เออแล้วก็ภรรยาก็จนเชื่อฮะอ๋อ <AL> หมายความว่าไอ้สมณะเวทนาใช่ไหมสมณะเวทนาเกิดทั้งกายมจิตเกิดทั้งมหาคตจิตอุเบกขาเวทนาก็หมายคืออนุสัยตามนอนได้หมดเลยเช่นสมณสเวทนาในปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจดุติฌานนี่นะไอ้สมณสเวทนาเนี้สามารถจะเป็นที่ตั้งของราค า, น า, านอนุสัยได้หมดเลยอนุสัยตามนอนได้นะ อ๋อก็ก็ก่อนที่จะเกิดโทรสารนั้นปฏิกายนุสัยมันมีอยู่แล้วอ่าก็ถามว่าถ้าไม่มีปฏิกายนุสัยแล้วโทรสารมาอย่างไรใช่ไหมปัญหาคือว่าต้นไม้เท็่โผล่ขึ้นมาเลยเชื่อไม่มีรากแต่กรณีของอนุสัยเนี่ยเพราะอัจธว่ากระแสขันนั้นยังไม่เคยชำระหรือยังไม่เคยละเลยยังไม่เคยทําโสดาปฏิมาษฎาราคามีมากนาคาอย่างมากอะไรก็มา ก, มากละเลยใช่ไหมอ เ, เอางี้นะอุปมานี้ดีกว่านะอย่างเรื่องอนุสัยเนี่ยมันอย่างนี้ มันท่านอุปมาไว้ในคมภีปฏิสมพิธามากเป็นต้นเนี่ยที่อุปมาแต่แต่แต่ลามาจะมาแปลงหน่อยนะแต่ว่าก็คือแนวเดียวกันนั่นแหละแปลงไม่ได้แปลงพุทธพจน์ต้องเข้าใจแต่แปลงอุบมาให้ชัดเนะอุบมานั้นท่านก็ชัดอยู่แล้วแต่พยายามเนี่ยก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีมันมีใบเออมีมีกิ่งอยู่สี่กิ่งนะในสี่กิ่งเนี่ยมันจะออกดอกออกผลตามฤ ด, ดูกาลดอกผลของต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นพิษ มันจะมีพิษมากมันมีไอ้กิ่งอยู่สี่กิ่งเนี่ยแผ่ไปทั้งสี่ทิศต่อมาเนี่ยบุรุษผู้มีความฉลาดเนี่ยก็มาพิจารณาดูต้นไม้นี่เออมันถึงโอกาสอันควรเนี่ยมันก็จะออกดอกและออกผลที่เป็นพิษใช่ไหมเป็นอันตรายใช่ไหมบุรุษที่ที่ที่ฉลาดเนี่ยก็ไปเอาเนี่ยงในปลากระเบนมาเนี่ยงปลากระเบนเนี่ยมันมีจะจะมีสรพรพคุณว่าเมื่อปักเข้าไปที่ต้นไม้ต้นใดเนี่ย มันจะทําให้พิษของต้นไม้นั้นนี่มันจะปักใ้่ไหมบุรุษท่านตัวนี้ก็ปักให้ตรงกับกี่ไม้พอมาถึงอ่ะในขณะที่ปักนั้นอ่ะต้นไม้นั้นยังไม่ได้ออกดอกกิ่งนั้นยังไม่ได้ออกดอกที่เป็นพิษไม่ได้ออกผลที่เป็นพิษเลยแต่เมื่อมาถึงนั้นบุตรนี้ก็ใช้เงียง้ยปักเปลียนปักเข้าไปเพราะปักเข้าไปทั้งกิ่งที่ไปทางทิศเหนือปักเรียบร้อยเบีเสร็จต่อไอพิษของต้นไม้ในซีกนั้นในทิศเหนือนั้นตายหมดเลยเข้าใจไหม พอถึงฤดูการในการที่จะออกดอกออกผลที่เป็นพิษก็ไม่ออกดอกออกผลเลยกลายเป็นไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีพิษเลยชั้นใดโสดาปิมักก็เหมือนกับเนี่ยงฟ้ากระเบนเนี่ยงแรกทีป่ปักนั้นในขณะที่โสดาปิมักเกิดขึ้นในกระแสขันลงท่านบูไดก็ทํากิจในการประหารกิเลสกําหนดอรอบรูทุกข์และสมุทัยคือละกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารทํานิโรธให้แกงคือมีฟานเป็นอารมณ์แล้วก็ประชุมอริยมรร กิจอย่างเนี้ยโดยกิจนะละโดยกิจเข้าใจไหมละโดยกิจเข้าใจคขาไหมโดยกิจไหมตอนนั้นกิเลสนี่อยู่ไหมมีไม่มีมีไม่มีกิเลสนั้นเกิดอยู่ในมารคจิตใช่ไหมแล้วมีไหมล่ะในขณะที่มารคะจิตเกิดนะ้ตอนที่ว่างเงี้ยปลากระเบนไปปากตอนนั้นน่ะนั่นแหละถ้าอุปมาอย่างเงี้ยครั้งที่สองก็เหมือนสกาธาเขายิ่งมากก็ไปปากอีกทิศหนึ่งครั้งที่สามเหมือนนาคาเขายิ่งมากไปปากอีกทิศหนึ่งครั้งที่สี่ มัอนอีกทิศ ต, ตะวันตกเป็นต้นต น, นี่ชัดไหมนี่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เข้าใจคําว่านอนนี่ยัง<อ>แล้วตั้งแต่นั้นมาหลังจากมาร์จิตบลจิตเกิดแล้วถามว่าในกระแสขันของท่านผู้นั้นเป็นวิสุทธิขันนี่ยังยแล้วมีมีอนุสัยไหมตอนนี้ย ไ, ไม่มีแล้วละได้อยังในขณะแห่งมั้งในขณะแห่งมั้ง ละด้วยจิตนะเข้าใจคำว่าละด้วยจิตไหมไม่ใช่ละใีตัวต่อตัวเจอประจันหน้ากันแล้วควันกันเสิรข้าวกันไม่ใช่นะละด้ยจิดเขาทํำจิตตรงนี้เสร็จแล้วเขก็ละได้ถ้าหากว่าการประชุมกระแสขันทําอริยมรรคเกิดไม่ได้แปลว่าละไม่ได้ถ้าใครประชุมกระแสขององค์มรรคแปดลงสู่กระแสขันได้ครั้งแรกละได้แล้วทิฏฐิวิจิกิจฉานุสสองตัวก็ไล่ไปเข้าใจนะหนักยไม่ยหมโ อุปนิสัยปจยัจจัยเยอะแยะหมดอาศัยปัจจัยเยอะทั้งอารมณปจัจจัยทั้งอุปนิสัยปจยัจจัยทั้งเ ร, ารชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอะไรเยอะแยะหมดนะเขาใช้คําว่าอัธยาศัยที่มากไปด้วยโทสะ ก, ก็กลายเป็นคนที่โกรธง่ยายนถ้าใช้คําว่าเพิ่มอย่างงั้นมันดูเหมือนมันมีตัวมี ต, ม ต, มตนนะอย่าไปนั่นแหละมันสัยตรงแล้วคําว่ามีอับกำลังนั่นแหละใช่ว่ามีกําลังนะเพราะว่าเพราะอะไรยังละไม่ได้นี่เข้าใจเนาะ นั่เรื่องกิเลสเรื่องไม่ต้องไม่ต้องเวลาไม่ต้องอนุสัยกิเลสตัวอื่นก็เป็นแบบนี้ก็อยู่ในอกุศลและจิตไงอ้าวจะให้เขาอยู่กัปในอกุศลอกุศลได้ไงก็อยู่ในอกุศลแค่นั้นแล้วไปก็นั่นแหละพยายามพยายามจะให้อนุสัยอยู่ในมหากุศลเอาแค่อกุศลก็พอแล้วนึกว่ามันมันนอนอยู่ในก้นบึ้งมั่งเหมือนอย่างนั้นเนาะโดยโดยศัพท์ โดยโดยอัฏฐะเนี่ยคือกิเลสใดยังละไม่ได้ท่านเลยจัดเปนอนุสัยท่านก็เลยมาจัดเป็นสามระดับไงเป็นอนุสัยเอ่ยเป็นวีติกกามเอ่เป็นอัปริยุทธานะเป็นวีติกกามก็เป็นวีตกวันนี้อดี๋ยตามต่อไปนะสมดังที่ท่านกล่าวว่าดูก่อนยิษาขาเพราะเวทนาเป็นสุขแลราคาอนุสัยจึงนอนเนื่องอยู่ดังนี้เป็นต้นก็ไล่ไปนะคําว่าเป็นต้นเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเวทนาเป็นทุกข์อะไรนอนเนี่ย ปฏิคาหนูใสก็นอนเนื่องอยู่ถ้าเวทนาเป็นอุเบกขาอาวิชานุใสก็จะนอนเนื่องอยู่เนี่ยนะพึงจัดทิฏฐานุใสและมานานุใสที่เป็นฝักฝ่ายของราคะเข้าในราคานุใสด้วยก็แปลว่าอะไรทิฏฐิกับมานะเขาประกอบกับอะไรประกอบกับโลภะนั้นก็เล็กอยู่ในฝักฝ่ายของราค า, า, น, า, คานุัยผู้ที่มีทิฏฐิทั้งหลายย่อมเชื่อมั่นในสั ก, กยะสั ก, กยะตอนนั้นเป็นชื่อของขันนัน่นแหละ สักกายะบับปับพระเนี่ยขันทั้งหมดนะเรียกเป็นสักกายะเชื่อมั่นไหมท้งโลกข้าศนี่เชื่อมั่นตนเองอย่างนะเชื่อมั่นตนเองเชื่อมั่นอะไรอะ่ะเชื่อมั่นรูปะขันเชื่อมั่นเวทนาขันเชื่อมั่นสัญญาขันเชื่อมั่นสังขาระขันเชื่อมั่นวิญญาณขันเอาเชื่อมั่นขันในดดีไม่ขันไม่เที่ยงเนาะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนะยแต่ถ้าประชมุมสังขารละขันให้เป็นองค์มรรคพอจะเป็นที่พึ่งได้เนาะพอจ่าเนี่ย แต่อย่าให้แปรปรวนขึ้นมาอนแต่เขาสอนกันอย่างงี้นะเขาเชื่อมั่นบอกเวลาผู้นำเขาจะมาประกาศหาเสียงอ่ะท่านเชื่อมั่นผมสิเป็นงั้นไงมเคยฟังไหมเคยฟังก็ปลาใสนะถ้าเชื่อมั่นผมแล้วประเทศชาติจะไปรอดไอ้เราก็ไปเรียนบอกว่าอี้ขันมันไม่เที่ยงขันมันเป็นทุกขันมันเป็นอนาตตา เอาความหวังไว้ปากไว้กับกระแสขันต้องเองได้ยังไงว่ายังเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมต่อไปพอเรียนธรรมะเราจะฉลาดขึ้นไหมฉลาดขึ้นเลยนะบอกไม่เอาแล้วมันเหนืมเราไปเอาตั้งความรู้สึกไว้กับกระแสขันเนี่ยอ่ะตอนนี้พอเราเรียนธรรมะเนี่ยเอาเอากระแสขันไปตั้งไว้กับหลวงพ่อได้ไหมได้ไหมนะเอาเอาเอาเราไปตั้งไว้ขันใช่ไหมแม้พระพุทธเจ้าเองสอนว่างไง ขันของพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรไปยึดมัน่นใช่ไหมไม่ควรไปยึดมั่นเขายอย่างบอกว่าขันอัยตนะธาสัพเทธรรมานารังอภินิเวสายะตอมต้ําหล่อยต้อ ง, องวงไม่ควรยึดมัน่นยุ่งเลยน ะ, อะอไอ้ความไม่ควรยึดมัน่นเนี่ยความไม่ควรยึดมั่นดิวบาทานแต่ตั้งศรัทธาไว้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าศรัทธานะตั้ ง, ต, งตั้งไว้ที่ศราขาตาโพธิศรัทธานะ ตถาคตโพธิสัทธาใช่รูปขันธ์ของพระเจ้าไหมใช่ไม่ใช่ใช่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ังขาละขันธ์วิญญาณะขันธ์ไหมดูก่อนอนุ น, น ون, เธอจะหวังอะไรกับขันธ์นันพังเปื่อยเน่าของตถาคตนี้ตถาคตสอนเป็นอนเนกปริยายไม่ใช่